สกุลชาวนาผู้มีอันจะกินแม้ท่านจะถือกำเนิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่หากพูดถึงฐานะการเงินของสกุลของท่านแล้ว ก็ไม่ได้ตําต้อยกว่าใครในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงจัดเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านนั้นก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะคุณตาของท่านประสบผลดีในการค้าขายจากนิสัยที่ขยันขันแข็งและฉลาดท่านเคยเล่าความเป็นมาไว้บ้างดังนี้ พออายุเราได้ส1บอดปีคุณตาก็ตายจากแม่เล่าให้ฟังว่าคุณตาเป็นคนฉลาดในเรื่องความขยันก็จนกระทั่งเขาล่ำลือทั้งบ้านเลยละแล้วมาได้เมียสกุล น, นี้สกุลของยายคือสกุล น, นี้เขาก็เป็นสกุลมั่งคัง่งลูกสาวเขาก็สวยงามคุณตา เลยมาได้กับลูกสาวคนนี้คุณยายเขายอมยกให้เพราะเห็นว่าคุณตาเป็นคนขยันแต่งงานแต่งการกันแล้วก็มาได้ลูกสาวคนเดียวคือยมแม่คุณตาเป็นคนค้าขายทําคนเดียวแก น, นะในบ้านนี้มีคนเดียวนี่แหละพวกหนังอีเก่งหนังอะไรต่ออะไร เอาไปขายเอาไปขายทำอย่างนี้อยู่ตลอดประจํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาคุณตาจะซื้อวัวซื้อควายก็ซื้อมาราคายี่สิบสาสิบบาทเอามาขายตัวละเท่านั้นเท่านี้ได้กําไรสองสามบาทก็เอาแต่ก่อนวัวควาย ราคาสามสิบบาทนี้ถือว่าแพงมากนะส่วนมากจะสิบห้าสิบหก 15, 16, ไปถึงยี่สิบบาทที่เรียกว่าควายตัวนี้สวยงามมากคุณตาก็จะซื้อมาขายพอขายได้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรได้มาเท่าไรไม่รู้ หาขายอยู่อย่างนั้นตลอดนี้แต่เก็บกับเก็บเงินแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญรยลบาทมันจึงมีมากขึ้นใส่เป็นถุงยาวๆแปดสิบบาทเป็นมัดหนึ่งเขาเรียกหนึ่งช่างแม่เล่าให้ฟังว่าคนแต่ก่อนถือเงินเป็นสำคัญมากประหยัดมากไม่ใช่เป็นนักจ่ายนะ ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายอย่างทุกวันนี้แม่นี้เป็นนักประหยัดยกให้เลยคุณตามอบเงินให้แม่หมดเพราะมีลูกสาวคนเดียวส่วนคุณยายตายตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กอยู่นี้ละ่ะมรดกจึงมาตกทางนี้มากแม่จึงได้มีฐานะมาตั้งแต่นนทน แต่ไม่ให้ใครทราบง่ายๆนะทางนี้ไม่มีที่จะพูดอะไรๆคนโบราณเป็นอย่างนั้นมีแต่เก็บแต่หาอยู่อย่างนั้นพูดออกมาเขาจะหาว่าโอ้อวดเสียโบราณเราถืออย่างนั้นถือแบบปกเอาไว้ปิดเอาไว้ เอาเงินมาเทใส่ขันใหญ่ๆให้เห็นจึงได้ทราบชัดเจนว่าฐานะของเราไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเป็นขันลงหินเงินนี้เต็มเลยสองขันสามขันเอามาส่งน้ำเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงถุงละช่างเป็นถุงผ้านนะาเราจึงรู้ว่าพ่อแม่มีเงินมาก เรียกว่าฐานะเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านนี้เลยคุณตาเป็นผู้มอบมรดกให้ถึงได้มั่งมีอย่างนั้นถ้าธรรมดาแล้วโอ้ยไม่มีละ พ่อแววแต่ทารกว่าเป็นคนจริงในขณะที่แม่ตั้งขันท่านอยู่นั้นได้ปรารกฏขึ้นในครอบครัวและวงสาคณะญาติว่าธรรมดา ทารกในขันเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึกแต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วเหรอทำไมจึงเงียบผิดปกตินัก ครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่ ว, วไปคือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องแต่พอเลิกดิ้นแล้วก็กลับเงียบผิดปกติอีกเหมือนกับว่าคงจะตายไปแล้วละมังครั้นพอถึงระยะเจ็บท้องจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึงสามวัน ก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มให้ตายเลยเสร็จแล้วก็เงียบหายไปเลยจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็ดิ้นขึ้นมาอีกคุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภ์ว่า ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายแล้วละก็ชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียวเป็นคนจิตใจหนักแน่นลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่างไม่มีหลอกหลหละ หลานรักของตาเมืม่อทารกคลอดออกมาปรากฏว่ามีสายรกภาพชวีงบาาออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงทำนายเป็นสามอย่างวา่าหนึ่งสายบาดถ้าเป็นนักปราช ก็จะเยบแผ่นดินสะเทือน 2. ส, สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนิชำนาญหรือลั่นป่า 3. ส, สายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตรางแตกตอนออกจากท้องแม่ ทารกไม่ได้ส่งเสียงร้องเลยแม้ปลดสายรอกออกแล้วกระนั้นเด็กก็ยังคงนอนเฉยอยู่จึงเอาน้ำมาเทใส่ก้นเด็กถึงจะร้องขึ้นว่าแว่เพียงคำเดียวเท่านั้นแต่แล้วก็กลับนิ่งเฉยอีกในตอนนั้นคุณตายังได้ทักว่า เออก็ร้องเป็นเหมือนกันนี่ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะออคุณตารักหลานคนนี้มากจะเป็นผู้ดูแลด้วยตนเองทีเดียวคอยจุดใต้ส่องดูหลานทั้งคืนไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเป็นกังวลเพราะทั้งห่วงหลานก็ห่วง ห่วงลูกสาวคนเดียวก็ห่วงไม่อยากให้ต้องลำบากคอยลุกขึ้นดูคุณตาเลยคอยดูอยู่ทั้งคืนดูแล้วดูเล่าคอยส่องอยู่อย่างนั้นบ่อยครั้งพอมาดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าไฟจากใต้เลยตกใส่ตะกร้าลุกไหม้พอ้อมหลานเลย วันกล้าเมื่อหลานเติบโตขึ้นคุณตาก็จะมีอุบายสอนหลานอยู่เหนืองเนืองมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเห็นหลานน้อยกินมยมหรือกระท้อนเข้าไปแล้ว กลืนเม็ดเข้าไปด้วยคุณตากลัวว่าเม็ดอาจจะติดคอได้เพราะหลานยังเล็กเกินไปจึงบอกหลานว่าระวังกลืนลงไปทั้งเม็ดเดี๋ยวมันจะไปเกิดเป็นต้นอยู่ในท้องใบก็จะงอกออกทางจมูกทางปากรากก็งอกออกทางก้นระวังให้ดี เดี๋ยวจะตายได้นะหลานได้ยินเช่นนั้นเกิดความกลัวจนถึงกับร้องไห้เสียใหญ่โตจากนั้นมาไม่กล้ากลืนเม็ดมยมนั้นอีกเลยชวบจนโตขึ้นจึงได้รู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งในตอนที่ท่านยังเด็กๆอยู่นั้นจัดว่า เป็นคนขี้กลัวมากคนหนึ่งคงจะเป็นเพราะผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดถึงเรื่องผีเรื่องปอบหรือเรื่องสัตว์เรื่องเสือให้ฟังมาก่อนเพราะแม้เวลาจะไปขับถ่ายยังต้องให้น้องๆเป็นเพื่อนคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆ ก, กันนั้นอยู่ตลอดอย่าไปไกลกุหลาย จากนั้นก็อบอกให้น้องคนหนึ่งอยู่หน้าอีคนหนึ่งอยู่หลังเมื่อได้อยู่ตรงกลางเป็นที่สบายใจแล้วจึงยอมท่ายสิ่งนี้ทำให้เห็นชัดว่าแต่เดิมคนเราอาจเป็นคนขี้กลัวมาก่อนปานว่าจะไม่มีความกล้าได้เลยแต่เมื่อได้รับการฝึกฝน ในระยะต่ อ, ตอมาแล้วย่อมสามารถพลิกนิสัยได้อย่างสิ้นเชิงกลายเป็นนักต่อสู้ที่องค์อาจกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดทั้งนั้น